คำว่าความหลงก็เหมือนเราเดินทางยอมสําคัญทางที่ผิดนั้นว่าเป็นทางถูกแล้วก็เดินไปทาให้หลงแล้วก็ไม่เดินตามทางผิดเดินตามทางที่ถูกเรื่อยไปทำให้หลงก็ไม่ทาผิดไม่พูดผิดไม่คิดผิดไม่ถือผิด ผลก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเราการหลงทางก็เป็นโทษทําให้เสียเวลาและหนื่อยตัวเรก า, ราการทําผิดการพูดผิดการคิดผิดก็ทําให้ทั้งเสียเวลาทั้งเป็นทุกข์แก่เรานี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการทําผิดพูดผิดคิดผิดพระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อให้ ทราบว่าจิตใจเราเป็นผู้มีความหิผิดอยู่เสมอพยายามแก้สิ่งที่ผิดอยู่ภายในจิตใจเพื่จะระบายออกในทางกายวาจาและทางใจเสเองเป็นความถูกต้องดีงามผลจะพึงสมหวังเพราะเหตุที่ถูกต้องผลดองดีเสมอไปถ้าเหตุที่ผิดผมจะผลนั้นจะลบล้างไม่ได้ หรือจะปิดกั้นไว้ไม่อยู่ต้องแสดงเป็นความทุกข์ออกมาแล้วคำว่าความหลงนี้เมื่อเราจะนับจำนวนคนที่หลงนี้จะมีสักเท่าไหร่คนที่รู้จะมีสักเท่าไหร่ถ้าจะเทียบกับคนรู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่นั้นก็เหมือนเอามือไป หย่อนลงแม่น้ำมหาสมุทรฝ่ามือของเราหนี้กว้างขนาดไหนแม่น้ำมหาสมุทรกว้างขนาดไหนธาตโลกที่ลุมหลงอยู่ในวะะัฏจักรสาร น, นี้มีจํานวนมากเป็งไรในแม่น้ำมหาสมุทรยังแคบแต่เพียงเป็นข้อเทียบเทียมกันได้เท่านั้นว่าผู้ที่รู้มีจํานวนน้อยผู้ที่หลงมีจํานวนมากเทียบกับแม่น้ำมหาสมุทร ความคว้างขวางไม่มีมากมายของสัตว์โลกที่เป็นไปด้วยความรุ่องเอรืองวิธีรู้ที่สามารถเอาตนออกอดพ้นไปได้ก็มีกันินเท่าฝ่ามือถึงคำว่ารมหลงเพียงคำเดียวเท่านี้มันถูกกับทุกลูกทุกนามบรรดาสัตว์และบุคคลที่มีญาติครอบ กระเทือนไปทั่วโลกกถารวมแล้วทั้งสามโลกระถางเป็นที่อยู่แห่งความแห่งสัตว์ผู้หลงหลงทั้งนั้นผู้ที่รู้จริงๆไม่อยู่สัตว์โลกจึงอยู่ด้วยความหลงไม่ว่าท่านว่าเรามีจานวนมากเพียงไรเราไม่อาจนับได้ทั้งที่เป็นรูป ก, กลางมองเห็นด้วยตาเนื้อทั้งที่ไม่มองเห็นด้วยตาเนื้อ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 แล้วปรากฏเป็นความรู้อัน แ, แจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมานำทำที่เป็นเครื่องแก้ความหลงและโค่นแห่งความหลงคุณค่าแห่งความรู้นำมาแสดงแก่โลกเรียกว่าแสดงทั้งเหตุทั้งผลทั้งฝ่ายดีฝ่ายชัวย่วจนกระทั่งประชาชนทุ่มมุ่งหวังต่อความรู้ความฉลาดเพื่อความดีเพิ่มจากทุกอย่างเต็มใจแล้ว ได้รับฟังก็เกิดความเชื่อความสงสัระรุษปฏิบัติตามพระองค์ท่านเงินกายเป็นผู้รู้ขึ้นมาโดยลำหนักลำดาที่เราให้นามว่าสาวกไตรหันท่านเป็นลำหนับมาเช่นนี้และท่านอย่างนั้นค่ปยปนิพพานไปเรื่อยๆมีร่วงโรยไปเรื่อยๆมีความมืดมิดปิดตาก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้น ทั้งโลกจะเต็มไปด้วยความหลงผู้ที่จะมาชี้แจงสั่งสอนให้รู้แจง้งเห็นจริงในความหลงทั้งหลายระนั้นก็ไม่มีก็จะแล้งโลกนี้จึงอยู่ด้วยความมืดมิดปิดตากันถึงจะมีหูตาสว่างอยู่ก็สว่างแต่ตามเรื่องของโลกกระเสียไม่ใช่สว่างด้วยความจริงคือรู้จริงเห็นจริงดังพระพุทธเจา้าในสาวกมันก็เลยกลายเป็นหูหนาตาเถื่อน คำว่าเถือนก็คือปลอมตามีอยู่ก็ปลอมหูมีอยู่ก็ปลอมคือรับทราบได้ได้ยินแต่สิ่งที่จะสิ่งที่จอมปลอมเข้ามาแทรกสิมแทรกิึมจิตใจของเราให้หมึดนิกขึ้นแต่โดยลำดับเพราะการได้เห็นการได้การได้ยินเป็นต้นเรื่อยมาสิ่งที่แสดงออกทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่จะให้หลงธรรมชาติของจิตก็มีความมึงหลงอยู่อย่างเต็ม ตัวดีแล้วก็ยิ่งเข้ากันได้ง่ายความจริงจริงแทรกเข้าไปได้ยากเพราะฉะนั้นการตกทุพธิบัตธรรมหรือการฟังธรรมซึ่งเป็นความจริงจีบจีบฝืนงเสนอไปแต่สิ่งที่จิบชอบก็คือสิ่งที่เต็มเป็นเนื้อเป็นหนังอยู่ภายในใจจนมองหาใจไม่เห็นแล้งนั้นถี่เรียกว่าของฟอมทั้งสิ่งอันใดที่ตรอม กับของปลอมก็เข้ากันง่ายๆเช่นเดียวกับคนชั่วต่อคนชัว่วเข้ากันได้ง่ายเป็นเพื่อนเป็นมิตรสนิทสนมกันดีหลายคนดีก็เข้ากับคนดีแต่มีจานวนน้อยเป็นพวกของใครของเราไปพวกของความหลงข้างนอกก็อ่งหล ง, ลงข้างในก็เป็นผู้หลงเข้ากันยากก็เข้ากันได้อย่างสนิทเชื่อได้ไง่ายเพราะเคยเชื่อมาแล้ว การที่จะปฏิบัติเกิดแก้สิ่งเหล่านี้ออกสัมใจคุณต้องฟื้นฝืนมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าองค์ไหนไหนฝืนมาเป็นลํำดับตันดาเพราะเคยถูกถูกมัดมาตัวนี้แน่นจนกรดิกตัวไม่ออกและไม่สนใจที่จะกระุดลากตัวเองออกจากสิ่งนั้นเมื่อได้รับการแสดง จ, จากพระพุทธเจ้าหรือได้ดูตามลำดับตําดา อันเป็นแนวทางที่ถูกต้ตองออกมาจากสวดส ว, สวดคาตธรรมจุดหนึง่งมีความสนใจประพึติปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องฝืนสิ่งอันนี้อยู่เลยดีทังพวกเราวประพฤติปฏิบัติเวลา น, นี้ก็ออกมาจากคนเรืงใจของคนต้องย่อมเหมือนคนแม้จะออกมาอยู่ในวัดแล้วความรู้สึกอันนั่งเดิมย่อมมีอยู่ภายในใจเสมอคือความขี้เกียดมจ ง, ง่ายความคล้อยตามสิ่งที่เคยคอย ความเชื่อสิ่งที่เคยเชื่อย่องฝังใจอยู่อ น, นี้การที่จะฝืนสิ่งเหล่านี้จึงเป็นความลําบากยังบนอยู่สําหรับผู้ปฏิบัติน่นาจะมีความมุ่งมั่นต่ออดต่อธรรมมากน้อยเสียงไรก็จาต้องได้ฝืนสิ่งที่เป็นฝักเป็นน้ำอยู่ภายในจิต ใ, ใจของเราโดยอิทุลย์การปฏิบัติธรรมจึงเป็นของยากของลําบากเพื่อจะเปิดสิ่งที่ปิดบงงังในล่าจิตใจของเราให้ออกให้เห็นเหตุเหผล เห็นต้นเห็นปลายเห็นอัดเห็นทำภายในใจิตใจจนกว่าจะได้ปรากฏผลขึ้นมาแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้มีกำลังในความสามารถคําเชื่อความมุ่งหมายความวามุสาพยายามจากนั้นก็ค่อยสะดวกสบายถึงจะอยากทำบาปผลก็ปราบทุกภายในใจแล้วกดปฏิให้เสื่อมกันไปด้วยความพอใจที่จะเพิ่มพูนความดีเพิ่มพูนความสงบสุขที่เคยมีอยู่แล้วให้มีความสว่างสบายยิ่งขึ้น แลาขอสัมพันธ์ก็คือให้เห็นโทษแห่งความเป็นอยู่ด้วยความหลงยืนอยู่ด้วยความหลงนอนอยู่ด้วยความหลงเดินไปด้วยความหลงในยาบททั้งสี่กันไปด้วยความหลงมาเกิดกามาด้วยความหลงมาอยู่ในโลกก็อยู่ด้วยความหลงจะไปข้างหน้าก็ไปด้วยความหลงเมื่อเราเห็นโทษอยู่นี่อยู่โดยสมั่งสมอภายในจิตใจที่แล้วก็มะเหตุจะให้มีความอุตสาห์พยายาม จะแยกแยะสิ่งนี้ออกจากไใจพรอมีทางเล็ดลอดไปได้ตามกําลังความสามารถของเราอย่างไรก็อย่าลืมคําว่าทุกทงังกำลังกระฉามอะไรก็ตามให้ระลึกถึงนั่นเสมอทั้งฝ่ายเหตุฝาา่ายผลที่พระองค์ทรงดําเนินมาก่อนแล้วและได้ทรงรับผล ม, มาเป็นที่พอประทยัยเป็นนํามาประกาศสอนโลกมาหลายพระพุทธเจ้าทรงดำเนินอย่างไร ความทุกข์ควาบากกม็มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าไปได้วความรู้ความเห็นก็จงรู้แจ้งเห็นชัดไม่มีสิ่งใดปิดบงังลี้ลับนำธรรมที่เปิดเผยนั้นมาสั่งสอนโลกให้เรามีความเปิดเผยแต่ทำตามพระองค์ท่านที่เรียกว่าตามพระเดชพระองค์ท่านทำมังสนงันลังคาถามนี้ก่อไม่มีอันใดที่จะเพิกเิยเลิ่ยิ่งกว่าธรรมบรรดาในโลกทั้งสามคือการมแโลกอรูปรโลกอรูปรโลก คนแรกตั้งแต่เป็นสิ่งกดทวงความหลุดพ้นคือความฝิกอันกระเสริฐสำลานความฝึนกนกระเสริฐสำลานที่มีใจเป็นธรรมนวนวนั้นท่านเรียกว่าธรรมอันกระสริฐขอที่จะให้ครองธรรมเหล่า น, นี้ไป้ผู้เห็นธรรมเหล่า น, นี้ก็ต้องได้ฝ่าฟืนบึกดึนเต็มกําลังความสามารถ ด, ด้วยค่ะแต่จะยากลาบากเพียงไรก็าตามให้ถือว่านี้คืองานเพื่อความ ควก้าวไปให้พ้นจากกองทุกไม่ใช้งานเพื่อความร่มจุเราจะถือความตายลิขความตายมาสังไว้ในจิตใจในประการที่สามก็ให้ลึกถึงพระสงฆ์สาวกท่านท่านเป็นคนเหมือนกันกันกบเราออกมาจากคุณต่างๆเวลาออกมาท่านก็เป็นคนออกมามาบวชเป็นพระแล้วก็คือคนเป็นพระท่านอุตสาหพยายามดําเนินท่านอย่างไรท่านจานึงจะเป็นพระนางคาถาที่ของพวกเรา ท่นก็เป็นคนเหมือนกันทํำไมท่านเลื่อท่านประสิบยิ่งกว่าเราเรายึดนี้เป็นหลักท่านหากว่าท่านไม่มีความมุสาพยายความภากภูมิจรงท่านจะเป็นผู้วิเศษือโสพอเป็นเ้านะของโลกได้อย่างไรเห็นเรายึดนั้นเป็นหลักใจเราเอาความตายเข้ามาฝังไม่ไดหัวใจทั้งๆทีนหัวใจใจคือความรู้นั้นไม่เคยตายเราจะเอาความตายเข้าไปฝังไม่ไดใจเราเอาป่าชาไปทับถมหัวใจเรา แต่ทำมืองไรกลัวจะตายกลัวแต่จะตา ย, ตตตายไม่ทชาบว่าความตายมีความหมายกวางแค่ขนาดไหนอะไรเป็นผู้ตายใจเป็นมาอย่างนี้ไม่เคยตา ย, ายแต่ไหนแต่ไรมาเป็นแต่เพียงว่าเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆที่โลกทั้งหลายว่าเกิดว่าตายเปลี่ยนรูปร่างคือตายแล้วกับไปถือปฏิทินยานเอาใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆสูงๆต่ำๆนุ่มๆดอนๆตามเลขากรรมหรือตามบุญตามกรรมที่ตนได้สร้างสมอบรมมามากน้อย สนใจเองไม่เคยตายจึงไม่ควรเอาความตายไปผูกมัดกิตใจคุณง่ายๆไม่ควความตายไปแฝงคอหัวใจจะเป็นการการสร้างอุบายสร้างความท้อถอยความหม่นแอร์ความท่าเปลี่ยนให้แก่ตนแทนที่จะผ่านไปได้ก็ราะคุความกลัวตายก็จะกีดกั้นทางเดินเสียก็ไปไม่ได้นั่นสิ่งไม่มีจะไปหาเรื่องใส่สิ่งไม่มี มันเกิดโทษจากตัวเองคำว่าสิ่งไม่มีคืออะไรคือความตายนั้นอ่ะไม่มีแตไม่มีอยู่ในจิตจิตเป็นธรรมชาติไม่ตายแม้จะมีกิเลสคันหาอาสวะปกคลุมอยู่มากน้อยเพีงยงไรก็าตามจิตก็เป็นผู้ทนทานต่อสิ่งเหล่านีน้ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ไม่ยอมพิหา ย, ายสลายตัวไปเพราะด้วยความพิจายเพราะทุกข์ทลายบีบคั้นทําลายเลยเป็นความรู้อยู่เช่นนั้นเป็นจิตอยู่เช่นนั้นแม้จะตกใน น, นรกอาวจีก็ไม่ตาย อาคนทุกข์ทรมาณตามความหนักเบาแห่งกรรมที่ตนทํามาเท่านั้นนะแล้วมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นอะไรก็ตามก็คือจิต ด, ดวงไม่ตายนี่แหละไปในขณะนี้ก็อยู่ในธาตุในขันอันที่เราเห็นอยู่นี้ธาตุขันนี้เป็นของเราร่างกายนี่เป็นของเราจิตมาอาศัยธรรมชาตินี้อยู่แล้วจิตนี้ก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นการพิจารณาเรื่องทุกข์มีทุกขเวทนาเป็นต้น ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจโอ้ันเนี่ยเอาดับจช่ไมหมเรื่องเวลาจะพิจารณ า, ามีทุกเวทนาเป็นต้นแล้วก็กลัวแต่ตายนี่คือสร้างฝากสร้างน้ํหยิดกั้นทางตัวเดินให้เดินไปไม่ได้ความจริงมีอยู่ไม่ยอมเดินเพราะความหลงบังคับนั่นเอง ความหลงบังคับความไม่รู้บังคับตัว อ, อะไรกลัวตายทั้ ง, งทั้งทความตายไม่มีอยู่ภายในจิตแต่ก็กลัวตายเราเคยเชื่อที่เหล็กคำว่าตายตายนี่มานานจะทำอะไรก็กลัวแต่ตายกลัวแต่ตายำทำท่านถึงแก้เข้าไปตรงนี้ให้เข้าถึงความจริงว่าผิดไม่ตายนี่คือความจริงถึงเวันนั้นสลายตัวลงไปตามสภาพของมันมั้นก็ไม่ตายเราพิจารณา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 ไม่ควรจะป่าช้าเอาความเอาความตายเป็นมัดจิตซึ่งไม่ใช่ผู้ตายให้กาเป็นความอ่อนแอขอขอแต่ได้นี่คือสร้างขวัญสร้างหนามให้ ก, กีดกั้นทางตนเองให้หาทางเดินกเปน็นไรความจริงมีอย่างไรให้พิจารณาลงไปตามความจริงอา้าวทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยภายในธาตุขันจะหมดทั้งตัวนี่ขอให้ทราบว่าทุกข์นี่มีอยู่รอบตัวแต่ไม่ใช่จิตทุกขเวทนาเวทนาอนิจจา เวทนาอนัตตาัเวทา น, นาอนิจจคื อ, อยังไงมันมีเกิดขึ้นได้มีตั้งอยู่ได้มีดับมีสลายไปได้เนี่ยนันอนิอนจจหรืออนิจจังเวทนาอนัตตามันเป็นสภาพอันหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นโดยตัวเองก็ไม่ได้สำคัญมาตนเป็นอัตหรือเป็นอนัตตาเป็นอะไรทั้งหมดแต่เป็นความปรากฏขึ้นแห่งสภาพทมอันหนึ่งเท่านั้น ให้จิตผู้ติดเป็นนักรู้อยู่ตลอดเวลาให้รู้สิ่ง น, นี้ตามความจริงของหมาไม่ใช่สิ่งเห น, นี้จะมาประหารจิตให้ชิดหายเราจรึงไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งที่จะหเห็นตามความจริงของทุกเวทนาที่ปรากฏตัวขึ้นมาสัญญาก็หลอกว่านั่นเป็นเราอันนี้เป็นของเรานี่ทุกข์มากนะฮิทุกข์มากเดี๋ยวตายนะใจนั่นมันหลอก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 จะว่าเป็นเราเป็นของเราได้ที่ไหนอนณาตาอาณาตาก็บอกท่านธาอยู่แล้วว่าไม่เป็นไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่เป็นของใครเป็นความจริงอันนั้ น, น, นหรือถ้ารูปก็สักแต่ว่ารูปแห่งธาตุเนี่ยเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราจะไปคว่าเอามาทับผมจิตใจของเราให้เกิดความเดดร่อไปไปอย่างไรเพราะเวทนานั้นก็เป็นของร่อนอยู่แล้วแบกถามเข้ามาเผาจนทําไมา ถ้าเป็นความฉลาดแล้วจะไม่แต่ยึดต้องพิจารณาตามความจริงของมันทุกขนาดไหนรู้ตามความจริงของมันเพราะจิตเป็นหน้ากรู้ไม่มีถอยเรื่องรู้อยู่กับจิตขอให้สงสุงสติเป็นผู้ควบคมกำกับให้ดีเนีขณะที่จิตจะดับก็จะไม่เผลอเพอราะสติกำกับกับจิตจิตทำหน้าที่รู้ความหมายต่างๆหรพิจารณาแยกแยะต่างๆเรื่องของปัญญาแยกให้เห็นทตามเป็นจริงนี่ชือว่าเป็นผู้ฉลาดในการเรียนตัวเอง ตามหลักศาสนาที่ให้เรียนรู้ตัวเองโลกวิทูทำไมรู้แจ้งเห็จริงในโลกในขันนี้แล้วจะหมายถึงโลกาวิูอันไดนี้เป็นอันดับแรกคือเดียวทิศโมริกาทรงสั่งสอนว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกของโมริกาก็ต้องรู้แจ้งธาตุแจงขันเรื่องที่เหลือันหาสัศวันี้โดยสิ้นเชิงก่อนเนี้ยถึงจะไปรู้สภาพแห่งโลกทั้งหลายทั่วทั่วไปที่เรียกว่าโลกวิทูทั่วทไป คุณสมบัติของสาววกในตอนนี้ก็มีได้เหมือนกันเช่นโลกวิทูรู้แจ้งโลกในธาตในขันของท่านโดยรอบครอบคลุมไม่มีอะไรเหลือรอดที่ติจจะติ ด, ตดข้อในสิ่งนั้นนนั้แม้แต่น้อยมีเีย่างโลกวิทูให้เห็นโลกวิทูภายในธาตในขันธาตุขันไม่เป็นไทยต่อผู้ใดถ้าความหลงไม่ไปก่อควรไม่ไปก่อเรื่องก่อราให้มาเป็นไทยเปนตัวเดงไม่มีอะไรเป็นไทยทุกก็ไม่เป็นไยัยแจกไทยเป็นความจริงของมันอย่างหนึ่งเท่านั้นทุกภเวทนาพิจาณาลงให้เห็นชัด กีดเป็นมากเป็นสาระสําคัญภายในตัวเองทำไมจิงไปไปหลงไปลงมายไปจังนั่นคว้านี้เอาสิ่งนั้นมาเผาตนเองทุกอยู่เขาเขาต้องมีความหมายอะไรเช่นเดียวกับไฟมันจะก่อสูงเป็นเปลวมันจวดฟ้าผ่าตามถ้าเราไม่จะเกี่ยวข้องกับมันเราคอยตัวให้ห่างนันก็มีแต่แต่ความเดือดไฟเท่านั้นไม่สามารถที่ยังความรุนร้อนให้มาสู่ตัวเราได้แต่ถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับไฟไฟต้องเผาแน่ๆมีทุกกเวทนาเหมือนกัน มันเป็นความจริงอันหนึ่งมันที่แสดงอยู่ภายในร่างกายของหลังนี้เมื่อกิจของเราก็รู้ด้วยสติปัญญาพิจารณาถิง่งเหล่านี้ให้เป็นไปตามความจริงอยู่แล้วสภาพความร้อนที่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของเวทนานั้นก็ไม่สามารถที่จะเผาจิตใจของเราให้เดือดร้อนไปตามด้วยได้เลยมีชื่อว่าเรียนทำเวทนาก็เป็นธรรม สัญญาก็เป็นธรรมสังขารก็เป็นธรรมเิีนญาณก็เป็นธรรมรูปกายนี่ก็เป็นธรรมถ้าเราเป็นธรรมสิ่งอันนี้เป็นธรรมหมดถ้าเราเป็นผู้หลงเป็นอะธรรมโง่สิ่งอันนี้ก็เป็นฆ่าสุดต่อเราได้นี่ตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อที่เลสันหาสวะถือจะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อที่เลสอัตถนาสวะอันนี้เหล่านี้เป็นตนหมดลูกก็เป็นตนเวทนาเป็นตนสัญญาเป็นตนสังขารเป็นเรา วิญญาณเป็นเราอะไรล่ะเป็นเราหมดพอโลกของสารเป็นเราหมดพอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงยานย้าไปบ้างเล็กน้อยใจหายไปเลยเป็นทุกข์นั่นนี่แหละเครื่องก่อขวนเครื่องทําลายเกิดขึ้นจากความสําคัญของจิตด้วยความรุ่งหลงว่านั้นเป็นเรานี้เป็นของเราอะไรเปลี่ยนแปลงไปน้อยจึงเหมือนกว่ามังฟัน yeah หัวใจเราให้ขาดทลายไปด้วยกันเป็นท claro> ุกข์ไปหมดที่เรื่องของคำ ที่อพระพุทธเจ้าทรงขอนไว้ไม่ไม่เป็นเช่นนั้นรูปังอเิจังรูปังห้าตาให้ทราบธาตุวันนี้เป็นอเิจังเป็นของไม่เที่ยงด้วยพอจะอาศัยได้อย่างไรบ้างอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเป็นสภาพเมือนกลางๆอยู่ตามหลักธรรมชาติของมั น, นเวทนาก็เช่นเดียวกันเป็นธรรมชาติกลางๆอยู่ตามหลักความจริงของมันสัญญาก็เป็นธรรมชาติกลางๆถ้าเราไม่ใจหลงมันเสียเท่านั้นทั้งขงงานอย่างเหมือนกันเป็นธรรมกลางๆ ขอให้จิตของเราพิจารณาเห็นตามความจริงจิตเขาเป็นกลางได้เมื่อจิตเป็นกลางจิตก็เป็นความจริงขึ้นมาเมื่อจิตเป็นความจริงขึ้นมาสิ่งนั้นก็เป็นความจริงเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นความจริงมาแล้วตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นที่ยังเราหลงไปทํางขันมันหมายทั้งนั้นนี่คือหลักธรรมเห็นตามความจริงความตายตัดออกอยาให้เข้าไปแท้สิ่งจิตได้จากการเป็นความพทอถอนแยและล้มละลายกันได้เพราะคําว่าความตายนั้นเป็นสิ่งจอมปลอมที่สุดที่กเลสมันเสจ็บขัน หลอกลวงลงม า, มาเป็นยีรันนาทั้งๆที่จิตไม่ตายแล้วยันกลัวตายไปทําไมถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมแล้วจะกลัวตายไปหาอะไรอะไรตายไม่มีอะไรตายจิต ก, ก็เป็นจิตจิตเป็นจิตมาตั้งแต่นั่งเดิมแต่ก่อภพ ก, ก่อชาติที่ไหนก็มีสติเปลียนน้งไปตามกรรมวิบากเท่านั้นควรจิตไม่ตายนี่นี่หลักเดิมก็เป็นมาอย่างนี้ทีนี้เวลาพิจารณาเวทานาทำํำไมจิตจะตายแล้วทําไมเร า, เราถึงกลัวตายอะไรตาย พ้นหาความตายให้เห็นชัดเจนลงด้วยความจริงอีกเช่นเดียวกันจะไม่กลัวความตายเพราะความตายไม่มีมีแต่ความเจ็บสันติยกรรธรร ม, มาดาตามโลกสมมติก็ได้จะอวิชชนนะันแหะพาโลกให้เป็นไปอย่างนี้พาโลกให้ตั้งชื่อทางโน้นอย่างนี้ความจริงแล้วไม่มีอะไรตายพิจะนําไปให้ถึงความจริงผู้สิ่งผู้อย่างต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ไม่ตายจิตยิ่งเด่นยิ่งชัดขึ้นมาจิตผู้กลัวตายนั้นยิ่งเห็นชัดตัวเองขึ้นมาว่าโง่ที่สุดทํา ม, มากกลัวตายนะ้นหรือจิต ท, ที่กลัวตายคือจิงโง่ะ มทำให้เห็นชัดเจนแล้วะไม่มีกลัวเ ม, มื่อจิตให้ตายแล้วมันก็สนุกพิจารณาอะไรจะเป็นขึ้นขนาดไหนก็พิจารณาให้มันเห็นเหตุเห็นผลเพราะจิตนี้ไม่อั้นต่อการรู้กับสิ่งท่างหลายที่มาเกี่ยวข้องกับตนรู้อยู่ตลอดเวลาขอให้พยายามสังสมจะติดตั้งสติให้ดีจะรู้ทุกระยะจนกระทั่งขณะที่ขาดจากการระหว่างขันกับปิ คือจะตายตามโลกสมมุตินี่ก็รู้อยู่ทุกระยะจนกระทั่งขาดออกจากกันเป็นเวลาสุดท้ายนี่คือรู้อันหนึ่งรู้ที่สองรู้จนกระทั่งขณะที่เลสขาออกจากจิตไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจเลยก็รู้รู้ทุกระยะจิตไม่เคยลดละความรู้รู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาอากาศโกรกแล้วจิตจะตายไปไหนถ้าเสดสันให้มันเป็นอะไรอีก จะจับไปจับไปย่าดจะป่าชาเหมือนสิงเทั้งหลายล่ะเหนือคิดไม่ใช่กองปา่าช้าให้เอาจิตนี้แหลพิจารณาสิงนั้นในธาตุเกนแล้วเราจะได้เห็นความอัศจรรย์ขึ้นมาในวงแห่งการพิจารณาอยู่ในขันในธาตุนในขันอันนี้จะเป็นขันไหนก็ตามถ้าได้จอดให้จิตปัญญาไปจะเห็นชาดเฉพาะอย่างยิ่งทุกขเวทนานในวะ ในเวลาที่มันเกิดขึ้นมากๆรุ่ในวาระสุดท้ายเราให้ฝึกซ้อมไม่เสียตั้งแต่บัดนี้จะให้เสียท่าเสียทีของการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเัื่อแพ้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะเพื่อความเห็นจริงเพื่อผ่านค้นถึงอันี้เพื่อดูเหนือสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มากดขี่บังคับจิตใจของเราได้ให้เป็นอิสระภายในจิตใจจิตจะเป็นอิสระได้ด้วยเหตุใด ด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการคินิพิจารณาไม่ลดละไม่ท้อถอยเป็นกับตายก็ให้เห็นความจริงเท่านั้นเป็นจุดใหญ่เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องอันนี้เป็นเรื่องคติธรรมดาาไม่จาเป็นจะต้องไปกั้นกลางห่วงห้ามเขาเพราะเป็นหลักธรรมดากาั้นกลางของห้ามก็ไม่อยู่นอกจากจะก่อความทุกข์ขึ้นมาในเมื่อสิ่งนั้นไม่สมหวังเท่านั้นเพราะฉะนัน้นอันใดที่เป็นตามความจริงให้ปล่อยไปตามความจริงอย่าไปขู่บ้านขู่ขเรือนขู่เงินขวาง ถนนหลวงถ้าถูกกลับหมายสายโทษนี่นี่คือถนนหลวงนั่นแหละข้าจุธรรมณะในกลางทุกขังาารักษาที่เต็มอยู่ใน่าตุในขนันธ์นี้แต่ก็อนในกลางทุกขังาพิจา ร, รณาให้เห็นตามพุงยิงต่อยวางกางลำดับเข้ามาถ้าเราจะมีความสุขความสบายนี่ที่ได้นข้านั้นเปนเครื่องหลอกลว ง, งนะเป็นเครื่อ ง, งให้พวกเราถ้าแก่ที่เียนด้วยสติปัญญาแล้วจะหมดไปหมดไปไปความสุขความสบายความเห็นชอบ ความสว่างสว่างจะเกิดขึ้นภายในจิตใจใกาที่ดวงที่ว่ากลัวตายก็ตายทั้งหมดความกลัวแล้วจะมาเห็นโทษตัวเองแล้วทำให้ตัวเองว่าโอ้ความกลัวตายมาตั้งเวลาหลายปีทั้งนั้นจำความได้จนกระตั่งถึงวันนี้โกหกเราทั้งเพศนะคนจริงๆแล้วความตายไม่มีมีแต่ความจินเต็มตัวนะที่จะนาอย่างนี้เห็นนักโรคต้องสู้ออาจนใครชนะชนะโรค แล้วมันนี่จะหลบๆซ่อนๆนลบๆหลีกๆจะเอาความจริงที่ไหนไม่ได้เพราะว่าทุกเกิดขึ้นม้างน้อยแตมีแต่ความกวนกวายความกวงกวายก็มีใครช่วยได้ใครจะช่วยได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองไม่มีใครช่วยได้นี้สติปัญญาเท่านั้นจะช่วยความกวนกวายนี้ให้หายสงบได้เลยจนมาะทา่งวาระสุดท้ายที่ลมหายใจะจะขาดไปไม่มีกระทกสถท้านเลยนี่คือความจริงขอให้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 ถ้าสมกับธาตุทั้งสี่เอามาจากไหนก็เอามาจากของมีอยู่ยินนั่นลงไปเป็นของมีอยู่ในโลกเนี่ถ้าสมของการเข้ามาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายจิตก็เป็นของที่มีอยู่เนี่ยถ้าเราไสยาสนงนี้แล้วก็ถือกรรมสิทธิว่าเป็นราเป็นของเราะเวลาสลายแต่แล้วจะไปไหนก็ลงไปธาตุสี่นั่นลงไปของเขาตามเดิมจิตก็เป็นจิตจะเป็นอะไรไปอีกถ้าจิตบริสุทธิ์ก็เป็นธรรมทั้งแท่งเท่านั้นเราให้ชื่อว่าธรรมทั้งดวงก็ได้ธรรมทั้งแท่งก็ถูกเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้ไม่มี นี่คำไม่มีความต้องการอะไรไหให้การให้ช่วยให้นามขอให้ถึงความจริงด้วยประจักษ์ใจเท่านั้นเป็นที่พออันดูชื่ อ, อานาไม่จําเป็นในชั้ น, นั้นชั้นนี้ว่าไม่ชั้ น, นั้นก็ตามแต่เหมือนอย่างเรารับทานอื่นเต็มที่แล้วเวลานี้เราได้ชั้นไหนในการรับทานไม่ต้องไปถามให้ชั้ น, นูุปมันเต็มพุงแล้วก็อยู่เท น, นั้นเองหรือว่าไงฝืนรับทานไปได้เหรือมันพอดีแล้วก็รู้นี่จิตเมื่อมันถึงความพอตัวแล้วก็รู้ ทำไมจะไม่รู้สันทิฏฐิโกก็ที่ชาไม่ทรงผูกขาดมอบให้ผู้ปฏิบัติรู้เองนั่นเองด้วยตัวเองทั้งนั้นทำจนเป็นของกลางผู้ใดปฏิบัติผู้นั่นก็รู้ความจริงนี่แหละการแก้ความหลงเราจะไปแก้กับสิ่งใดไม่ได้เรามาแก้ตัวของเราเองโลกที่ว่าเต็มด้วยความรุ่มหลงเราให้เต็มด้วยความรู้เราก็อยู่สบาย ในถ้ำกลางแห่งโลกที่ลุ่มหลงนี่นเองอยู่ตรงนี้เอาร่างกายนี้จะเป็นไฟทั้งกองก็ให้เป็นจิตที่มีความรู้พรอบไฟทั้งกองนี้แล้วเราก็อยู่ในถ้ำกลางแห่งกองไฟด้วยความสุขสบายของเราเนี่ยนีจิตรวมเดียวเท่านี้ที่เป็นตัวเหตุสํคาคัญเพราะสิ่งที่จะเป็นตัวเหตุมังคับบัรคาอยู่ภายในนั้นโดยลําดับท้งำไมถ้าเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งอยู่ในดวงใจหรือโดยในหัวใจนั้น ออกได้หมดด้วยสติปัญญาแล้วช้าบายเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่มีความหมายอะไรเรื่องเป็นเรื่องตายเพรเรื่องความเปลี่ยนแปลงของธาตุเท่านั้นเองอิกแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามแล้วมีอะไรจะเป็นทุกข์ล่ะแสนสบายอยู่ที่นี้ทางการพิจารณานะเอาชัยชนะในจิตใจของเราให้ได้แพ้เราเคยแพ้มานานแล้วเ้ิดผลประโยชน์อะไรผลประโยชน์แห่งความแพ้ก็มีแต่ความทุกข์ความลำบาก คนที่เกิดขึ้นจากชกนะจะเป็นอย่างไรเอาให้เห็นหมือพระพุทธเจ้าประเสริฐด้วยความชนะสาวกทั้งหลายท่านประเสริฐด้วยความชนะที่เรศอยู่เหนืออำนาจของเป็นเหนืออำนาจของพิเรศนี่ยเราอยท่ใต้อำาจพิเรศมีความทุกข์แค่ไหนเราทราบด้วยกันทุกคนอาพยายามเหนืออำนาจของความลรูหลวงเหล่า น, นี้เราจะมีความสุขแค่ไหนไม่ต้องประชามใครสารทิติโกยจะประกาศขึ้นดังเป็นตัวภาณใิจิตใจให้นําไปปฏิบัติทํำแบานี้อยู่กับใจของเราทุกคน เป็นแตเพียงว่าสิ่งที่ไม่ถูงตัดทอนามันครอบหัวใจอยู่ลอเข้าใจตลอดเวลามันออกหน้าออกตาอย่างออกหน้าออกตาเท่านั้นคนเราจิ้งออกหน้าออกตาตั้งแต่สิ่งเหล่านี้เต็มไปหมดในโลกความพริงออกหน้าออกตาไม่ได้เพราะอันนี้เหนียหน้ามากกว่าแล้วพยายามแก้ไขอันนออกให้หมดจิตที่เป็นธรรมทั้งดวงนั้นจะได้ออกหน้าออกตาสว่างอาจารย์แจ้งครอบโลกธาตุไปหมดนี่เป็นอำนาจของจิตของธรรมแท้ คิดอำ น, นาจของกิเลสอำ น, นาจกิเลสมีมากเท่าไรทำโลก็เดือดร้อนมากตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนอ เ, อนเมื่อจิตปราบกิเลส ต, ตัวเป็นพินภายออกมาแล้วกราบเป็นธรรมทุ่มรอนขึ้นมาแล้วตัวก็เย็นโลกก็เย็นเย็นไปหมดนะเอาละเรื อ, ดดองย่อเพียงเท่านี้